ศาสนาพุทธสอนให้เราเป็นที่พึ่งของตนอัตติอัตนโนนาโถอย่าไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากพระมาขอพรพระนี่ขอไม่ได้ของพวกนี้ต้องทำความสุขความเจริญต้องการอะไรเราต้องเป็นผู้กระทำเองไม่ว่าจะเป็น ทางโลกหรือทางธรรมต้องการลาบยศสรรเสริญก็ต้องหาคนเองไม่ใช่มาขอพระแล้วพระก็สวยดยะถาสัพพีให้สวดไปกี่ครั้งมันก็ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้ลาบยศสรรเสริญหรือได้อายุวันนา้สุ ข, ขังพลัง ของพวกนี้อยู่ที่การกระทาของเร า, าพระมีหน้าที่สั่งหน้าที่สอนหน้าที่บอกวิธีที่จะทาให้เราเจริญด้วยลาบยศสลรเสริญสุขหรือเจริญด้วยอายุวันณะสุขพะพละเวลาที่พระสวรยถาสัพพีนี่เป็นการบอกวิธีว่า ถ้าอยากจะมีอายุวันนะสุขะภาละก็ให้ทำบุญอย่าทำบาปอันนี้คือคำคำอวยพรของพระพระไม่สามารถให้พรผู้อื่นได้ต้องทำกันเอง พระมุตธเจาจึงสอนอั ต, ตัอัตโนนาโธตอนเป็นที่พึ่งของตอนต้องการอะไรก็ต้องเจริญเหตุเหตุที่ทำให้เกิดผลผลที่เราต้องการต้องการเรียนหนังสือจบปริญญาเราก็ต้องไปโรงเรียนเข้าห้องเรียนทาการบ้านดูหนังสือ พอถึงเวลาสอบก็สอบได้สอบได้ก็จบก็ได้ปริญญาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของอการให้กันและกันอยากจะไปนิพพานก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องบวชต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือความจริงของพุทธศาสนา พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ขอไม่ได้สอนให้ให้กันความสุขความเจริญนี้ให้กันไม่ได้ต้องทํากันเองถ้าทําแล้วก็ได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นพระมีหน้าที่บอกทาง บอกวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่เรียกว่าสุปฏิปันโนนั่นเองปฏิบัติถูกต้องก็จะได้ผลตามที่เราต้องการถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลทังนั้นอย่าไปกราบพระพุทธรูปแล้วก็ขอนั่นขอนี่เลย มันเป็นความงมงายเป็นความเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ขอสิ่งต่างๆจากพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบให้ปฏิบัติ บ, บูชาถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าให้บูชาด้วยการปฏิบัติ บ, บูชา ไม่ได้ให้เรามาสร้างพระพุทธรูปแล้วก็มากราบพระพุทธรูปกันอันนี้ไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตเนี่ย นี่คือคำตัดคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อคําสอนปฏิบัติเพื่อการ หลุดท้นจากความทุกข์ปฏิบัติด้วยความถูกต้องนี่คือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเนีถ้าปฏิบัติได้ครบทั้งสี่ประการการบรรลุมากผลนิพพาน <c oughs> ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอย่างแน่นอนะ ไม่ต้องขอจากพระพุทธเจ้าไม่ต้องขอจากพระอริยสงสาวกไม่ต้องไปขอจากพระพุทธรูปเพราะขอก็ไม่ได้ศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาขอเป็นศาสนาธรรมคือให้ทำรรให้ปฏิบัตินี่คือความจริงที่เราชาวพุทธ จ, จะ เข้าไม่ถึงเพราะถูกคนที่ไม่รู้หลอกสอนให้เราเชื่อแบบผิดๆให้เราคิดว่าอยากได้อะไรก็ไปจุดธูปเทียนแล้วก็ขอจากพระพุทธรูปหรือขอจากพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็ให้พระสงฆ์องค์เจ้าเขกหัวเป่าหัวปะอมน้ำมนต์ เรื่องราวดังนี้เป็นเรื่องไร้าสาระไม่ได้ทำให้เกิดผลที่เราต้องการกันแต่พวกเราชอบเรื่องไร้าสาระเพราะมันง่ายไม่ต้องทำอะไรมากจุดทูบเทียนสามดอกนี่มันไม่ยากเหมือนกับต้องไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนหรือไปทำงานหาเงินหาทอง จยุดทุบเตียงสารดอกรอกับไปนอนที่บ้านเดี๋ยวเงินทองก็ไหลมาเทมาอันนี้เป็นเป็นเรื่องของความหลงโมหะอวิชชาเพราะชาวพุทธเราไม่ศึกษากันไม่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าไม่ศึกษาประวัติของพระอริยสงสารก เราเลยไม่รู้ว่าการที่จะได้อะไรมานั้นได้มาด้วยวิธีใดพอมีคนมาหลอกมาสอนในทางที่ผิดเราก็ชอบกันเพราะมันเป็นความสะดวกง่ายดายนั่นเองนี่คือสิ่งที่เรากำลัง ไปในทางที่ผิดกันถ้าเราไม่ศึกษาคำสอนเราจะไปในทางที่ผิดถ้าศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราปฏิบัติกันกระทำความดีกันคำสอนมีอยู่ในมงคลสามสิบแปดเนี่ยลองไปค้นดูในมือถือเนี่ยลอง ใส่เข้าไปว่ามงคลสามสิบแปดอันก็จะโผล่ขึ้นมามีสามสิบแปดข้อด้วยกันเป็นการกระทาทั้งนั้นสามสิบแปดการกระทำไม่มีข้อใดที่เที่บอกให้ขอจากพระพุทธรูปขอจากพระสงฆ์องค์เจ้ามีแต่ให้ปฏิบัติให้กระทาดี ข้อที่หนึ่งก็ให้ละไม่ให้ครบคนง่อเนี่ยสาคัญที่สุดอย่าไปครอบกับคนที่ไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณให้คบคนที่ฉลาดบัณฑิตคนที่รู้เหตุรู้ผละรู้ว่าเหตุนี้จะทําให้เกิดผลนี้ขึ้นมาะ อันนี้เป็นบัณดิตนะเป็นมงคลข้อที่สองข้อที่หนึ่งอยากคบคนง่อให้คบคนฉลาดคนที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณเมื่อรู้แล้วก็จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเช่น เหตุที่จะทำให้เร า, าได้ข้าวขึ้นมาทำยังไงถ้าเป็นชาวนาชาวไร่ก็ต้องไปปลูกข้าวอยากได้ต้นอยากได้ข้าวก็ต้องปลูกต้นข้าวไม่ใช่ไม่ใช่อยากได้ข้าวล้วไปปลูกกล้วยปลูกกล้วยมันก็ไม่ได้ข้าวมันได้กล้วย น, นี่คือการรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้น ตามอย่างนั้นแล้จะได้อย่างนี้เอให้รู้เหตุรู้ผลเนี่ยความสุขความเจริญของจิตใจของพวกเรานี้เกิดจากการเี่ทําความดีละบาปอชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือเหตุที่จะทําให้เราเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพละที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดะ หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราจะไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปต้องหาต้องคน้นต้องคบคนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้คนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ก็คือพระอริยสงสาวกกับพระพุทธเจ้าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้เรื่องเอเรื่องการเจริญด้วยอายุวันณนะสุขะพาระ ต้องไปเรียนกับพระอริยสงฆ์เรียนกับพระพุทธเจ้าหรือไปเรียนกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนเรียนแล้วเราก็จะได้รู้จากวิธีปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องเรียนมากครับเอามงคลต่อสูตรสาสิบปดข้อนี้เท่านั้นถ้าศึกษาแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติตามได้ทุกข้อรับรองได้ว่าจะจะได้ สิ่งที่เราอยากได้กันจ ะ, จะได้ความสุขความจเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภาพภาระจะแคา็งแกร่งปลอดภยัยหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเอ้าเซวนาจะบาลานาังข้อที่หนึ่งอยาคบคนผ่านเเสวนาบันดิตตามนั้นจะเสวนาให้คบบันดิตบัณฑิตคือคนฉลาด คนจะหในพระพุทธศาสนาอ่อนง้ในพระพุทธศาสนาก็คือคนไม่ไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองังนั้นก็ข้อที่สามให้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูช า, าการบูชาก็คือการให้ความเคารพนับถือนั่นเองเอผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณ เราควรที่จะเทอดทูนท่านยกท่านให้สูงเราเป็นผู้น้อยเป็นผู้รับประโยชน์จากท่านไม่ควรตีตนเสมอผู้ใหญ่ควรเป็นผู้อ่อนน้อมทำตนบูชาเขารพ บ, บูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้ผู้ใหญ่ก็คือ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าทางอายุวันณะสุ ข, ขะพะละวิธีบูชาก็คือปฏิบัติบูบชานั่นเองหนังที่พระตถาจ้าได้ทรงตัดผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตเนีตถาคตคือพระนามที่พระพระพระพระตจ้าทรงเรียกพระองค์ ว่าเป็นตถาคตเนี่ยผู้ดีผู้ที่ปฏิบัติสมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นผู้บูชาเราตถาคตนี่เป็นมงคลสามข้อแรกแล้วลองอ่านไปเรื่อยแล้วลองศึกษาแล้วลองดูว่าเราทำตามได้หรือเปล่าถ้าทำตามได้ทั้งสาสิบแปดข้อ รับรองได้ว่าชีวิตเราจะมีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเราเป็นชาวพุทธแท้เนี่ยเรารู้มงคลสามสิบแปดหรือเปล่าไม่มีใครรู้ก็เป็นเรื่องแปลกรู้แต่ว่าพระพุทธรูปองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหยบน้ำจืดน้ำ อะไรแค่ค่าปลอดภัยมีพระห้อยขอเราจะแค่คาดปลอดภัยมีปฏิหารต่างๆอกลายเป็นเรื่องอา่เองอ า, ญญาเรื่องอภินญาเรื่องอภินิหารไปซึ่งเรื่องเหล่านี้บางบางเรื่องก็มีบางเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันก็เป็นเป็นเรื่องที่ไม่มีแต่มันก็ ามาผสมประสานตามทัศนคติาคตามความคิดเนี่ยเรื่องว่าเป็นยาที่มีก็เช่นตาลึกชาติได้เนี่ยมีมีตาที่ผูทิพย์เนี่ยอ่านความคิดของผู้อื่นได้อันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแนะนำให้ ให้ขวนขวายหาอภิญญาเพราะอภิญญาไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้เป็นทางสู่การเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภละแต่ไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็มีพระอภิญญ า, าแต่ไม่ไม่ให้ความสำคัญกับอภิญญาเท่ากับ การปฏิบัติศินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญานี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงความจริงมรรคแปดที่เราได้ยินได้ฟังหรือศินสมาธิปัญญานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของมองคลสามสิบแปด แต่มงคลสามสิบแปดนี้จะแจกแจงละเอียดขึ้นไปเพื่อให้เราได้เข้าถึงทำได้อย่างง่ายดายเพราะบางทีถ้ามีแต่ศีลสมาธิปัญญาอย่างเดียวอันนี้อาจจะเข้าไม่ถึง เพราะเราอาจจะไปติดอยู่กับอย่างนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าเราไปอ่านมงคลสามสิบปดเราก็จะหลุดออกจากสิ่งต่างๆที่เราไปติดอยู่เช่นถ้าเราไปติดอยู่กับเรื่องอภิน ญ, ญาเรื่องทะมงคลละวัตถุอะไรต่างๆเพราะเราอ่านศึกษามงคลละสูตร มงคลสามสิบแปดท่านก็บอกให้ไปคบบัณฑิตไปศึกษาจากพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ดูว่าท่านสอนเรื่องราวเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเราไปศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าท่านไม่ได้สอนให้เรามาหามงคลวัตถุกันสอนให้เราปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบกันอันนี้ เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราขาดกันทุกวันนี้ขาดการศึกษาเ อ, อพระธรรมคาสอนเพราะเราเอาเวลาไปศึกษาวิชาทางโลกกันหมด เ, ออเดี๋ยวนี้ทางโรงเรียนแทบจะไม่มีวิชาพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่เลยเพราะเดี๋ยวนี้ความจเจริญทางโลกความจเจริญทางวัตถุนี้มัน มีความก้าวหน้ามากแล้วมันก็ให้ความสุขกับผู้ที่เจริญก้าวหน้าทางโลกนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขปลอมเท่า น, นั้นเองมันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ผสมประสานอยู่ด้วยแต่มองไม่เห็นกันเห็นแต่ความสุขทางโลกกัน ก็เลยทุกคนเนี่ยนี้พุ่งเป้าไปที่การศึกษาทางโลกเด็กนักเรียนเนี่ยนี้นอกจากเรียนในโรงเรียนแล้วพอกลับบ้านก็ไปเรียนกวดวิชาต่อเพราะเดี๋ยวนี้มีการแข่งขันกันทางโลกมากถ้าอยากจะเรียนโรงเรียนดีๆก็ต้องสอบได้คะแนนดีๆเพราะถ้าเรียนโรงเรียนดีๆเวลาจบ ก็จะเข้ามาหาอะไรดีๆได้พอจบจากมาหาหลัยดีๆก็จะได้มีงานดีๆทําได้เมื่อมีงานดีๆทําก็จะมีเงินมีทองมีลาบยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่ไม่รู้ว่าอความเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขนี้ มันเป็นเหมือนกับ อ, อะไรเนงะี้ยเดี๋ยวเหมือนกับเป็นเป็นหลุมพรางหลุมพรา ง, รางที่พอเหยียบแล้วมันจะตกลงไปในหลุมแล้วจะเจ็บตัวเพราะอะไรเพราะราลาบยศสรรเสริญสุขนี้มันไม่จีหลังเท้าวอนเวลามันจเจริญก็ดีใจกัน พอเวลามันเสื่อมอก็กลายเป็นความทุกข์กันล้องโหมล้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันถ้าไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลโผลเถพาใจก็จะต้องวุ่นวายอยู่เรื่อยๆเพราะไม่มีความมั่นใจกับลาบยศสารเสริญสุขว่ามันจ ะ, จะเจริญอย่างเดียวมันจะ อยู่กับเราไปเรื่อย เ, รอยเพราะว่ามันดีคืนดีมันจะหมดก็หมดไปโดยที่เราไม่สามารถที่จะไปยับยัง้งหรือไปควบคุมบังคับมันได้แต่มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงของาะลาภยศสรรเสริญสุขเรากลับไปเห็นว่ามันเที่ยงเห็นว่ามันจรังรัง มีแล้วจะมีความสุขไปตลอดเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเรียนหนังสือเรียนธรรมะกันนะยังไม่มีใครรู้จักมงคลสามสิบแปดไม่รู้จักอริยสัจสี่มรรคแปดรู้แต่วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ เ, เรียนกันแบบ <c oughs> แบบเป็นล่ำเป็นสรรทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเรียนจริงๆเพราะว่าความสุขทางราบยุศสรรเสริญมันเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดพอได้เงินมาทีนี้อยากจะได้อะไรก็ซื้อได้อยากได้บ้านซื้ออยากได้คอนโดอยากได้รถเกง๋งอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากซื้อไอโฟน อยากซื้ออะไรต่างๆซื้อรถยนต์พอมีเงินตุกอย่างมันก็ซื้อกันได้แต่ไม่เห็นตอนที่เวลาที่ได้มาแล้วจะต้องทุกข์กับมันอย่างไรบ้างได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาต้องคอยวิตกกังวลว่าสิ่งที่เราได้มานี่ จะปลอดภัยหรือไม่จะให้ความสุขกับเราไปได้เรื่อยๆหรือไม่อันนี้เป็นความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันทุกจะทางใจมองไม่เห็นเห็นแต่สุขทางวัตถุพอเห็นพอได้วัตถุปั๊บก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่พอต้องมาคอยดูแลรักษามาคอยห่วงคอยห่ว ง, วงมาคอยวิตกคอยกังวลอันนี้มองไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์กัน นี่แหละคือการศึกษาของของโลกหรือของประเทศไทยของของชาวพุทธเราเดีย๋ยวนี้ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนากันเลยจะเรียกว่าเป็นพุทธแบบชื่อในทะเบียนบ้านก็ได้เพราะถ้าเป็นพุทธแท้นี่จะไม่เป็นอย่างนี้นะพุทธทจะต้องศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษา ศึกษาประวัติของพระอริยสองสาวศึกษาพระสูตรสาคัญต่างๆเช่นมงคลตสูตรแต่ไม่มีการศึกษากันเลยเพราะไม่มีเวลาเพราะต้องเอาเวลาไปให้กับการศึกษาวิชาทางโลกศึกษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ศึกษาภาษาต่างๆเพื่อที่จะได้ เ, เข้ามาหาลัยได้เรียนดีๆได้ไปต่อเมืองนอกเมืองน า, ากลับมาจะได้งานดีๆทำได้เงินมากๆแล้วก็ได้ความทุกข์มากๆโดยไม่รู้สึกตัวความทุกข์ทางใจความวิตกความกังวลต่างๆ ฉะนั้นชาวพุทธเราจะถือว่าเป็นชาวพุทธที่มีแต่ชื่อก็ได้ไม่มีเนื้อของพุทธมีแต่ชื่อนับถืออะไรนับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธสอนอะไรไม่รู้พระพุทธเจ้าเป็นใครไม่รู้พระอริยสงสารุกเป็นใครไม่รู้ รู้เพียงแต่ว่าถ้าไปวัดก็ให้ไปจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็อหยอดเงินใส่ตู้บริจาคแล้วอยากจะได้อะไรก็ขอออยากเรียนอยากเข้ามาหาอะไรก็ขอออยากจะเรียนจบก็ขอออขอมันอย่างเดียวเกีวกับนี่คือหน้าที่ของศาสนาพุทธมีหน้าที่ให้ให้เราขออะไรต่างๆ ท่านเราก็ได้วัดวานที่สวยงามอย๋าวนี้มีมีอาคารมีโบสถ์มีเจดีย์มีศาลาเพราะโดยเงินบริจาคที่พวกเราชาวพุทธมาช่วยกันบริจาคงานทอดกระถินทีนี้ก็บริจาคเงินเพื่อมาสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันเร า, าศาสนาเรานี่สวยงามด้วยท้าววัตถุ แต่เรื่องของความรู้นี่ไม่ไม่มีไม่เจริญด้วยความรู้ทั้งทั้งที่ศาสนาพุทธนี้เป็นาศาสนาของผู้รู้พุทธแปลว่าผู้รู้อธรรมะก็คือความรู้สังขาก็คือผู้ศึกษาแต่ไม่มีแล้วมีก็เป็นจํานวนน้อยมากที่เป็นพุทธแบบพุทธ ก็คือผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานกันมีจำนวนจำนวนน้อยมากจนน่าตกใจว่าศาสนาพวกนี้จะค่อยๆหายไปเหลือแต่ซากของศาสนาก็คือเปลือกของศาสนา ตัวเนื้อของศาสนานี้ค่อยๆหดไปเรื่อยๆหดไปเรื่อยๆตัวเนื้อก็คือเนี่ยการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุอันนี้เป็นเป็นเนื้อของศาสนาถ้าเราย้อนกลับไปในยุคพระพุทธเจ้านี้มีแค่นี้แหละมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนคนแรกอาจารย์คนแรก ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาขึ้นมาก็คือพระพุทธเจ้าธรรมะก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงน้นามามาสั่งสอนผู้ที่ศึกษาก็ก็คือผู้ที่เป็นนักบวชกันศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็บรรลุมรรผลนิพพานกันบรรลุเป็นพระสาวกกัน เสร็จแล้วก็มาทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าสั่งสอนต่อไปนี่นั่นนะคือเนื้อรุวนๆยุคพระพุทธเจ้านี้ไม่มีเปลือกของศาสนาเลยไม่มีโบอ์ไม่มีเจดีไม่มีวัดวารา ม, มเปลกมันมาโผลเมื่อเกิดคนมีศรัทธาในคาสอนของพระพุทธเจ้าในตัวพระพุทธเจ้า เห็นพระพุทธเจ้าไม่มีที่อยู่ไม่มีวัดวาอารามก็เลยสร้างที่อยู่ถวายให้พระพุทธเจ้าให้พระสาวกที่ติดตามพระพุทธเจ้าให้กับผู้ที่มาบวชมาศึกษามาปฏิบัติได้มีที่อยู่อาศัยแต่ผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัตินี้ไม่ได้ทำหน้าที่สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีศรัทธาที่จะสนับสนุนคือเป็นผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะมาศึกษามาปฏิบัติด้วยตนเองแต่เห็นว่าการศึกษาการปฏิบัตินี้เป็นของที่หน้าหน้าเทิดทูนบูชาน่าสนับสนุนก็เลยยินดีสนับสนุนผู้ที่ ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอโดยการสร้างวัดวาอารามต่างๆมีพระเจ้าแผ่นดินสร้างวัดเชตวันวัดแรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวมีแต่สร้างพร ะ, ะสร้างพระอาราหารันต์ส่วนญาติโยมนี้เป็นผู้สร้างวัดให้พระอาราหันต์อยู่กันเจตถี สร้างวัดในอ น, นันติเป็นเชื่อเศรษฐีเชื่ออนันอะไรนี้ก็สร้างวัดนางวิสาขาก็เศรษฐีก็สร้างวัดพวกนี้เขามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่เขาไม่มีความสามารถที่จะออกบวชได้เขาก็เลยทำหน้าที่เสริมสร้างเปลือกของาศาสนาขึ้นมา ซึ่งในยุคแรกๆนี้ไม่มีวัดท่านก็อยู่กันได้พระพุทธเจ้าภาษาวกท่านก็อยู่ตามมีตามเกิดกันได้ท่านอยู่ตามโคนไม้ตามเงื้อผาตามถ้ำตามเรือนร้างน้องไปอ่านประวัติดนนูนี่คือที่อยู่อาศัยของพระในยุคสมัยพุทธกาลผ้านุ่งหม่มผ้าจีวรก็ไปเอาผ้าห่อศพ ผ้าในป่าชา้าที่เราเรียกว่าผ้าป่าออสมัยก่อนเขาไม่เผาไม่ฝังศพกันเวลาคนตายเขาก็เอาผ้าพันหลายหลายหลายๆชั้นแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าชา้าให้มันเน่าเปื่อยผุพังไปพอร่างกายเน่าเปื่อยผุพังไปผ้ายังดีอยู่นัก บ, บวชสมัย พุทธการก็ไปเก็บผ้าเหล่านี้มาซักย้อมแล้วก็มาตัดมาเย็บเป็นผ้านุ่งห่มเป็นจีวรเป็นผ้าไตมีผ้านุ่งมีผ้าห่มมีผ้าห่มกันหนาวเนี่ยผ้าสามผืนผ้านุ่งผ้านุ่งเรียกว่าสบงผ้าห่มเรียกว่าจีวรผ้าห่มกันหนาวเรียกว่าสังกาติเนี่ยนี่คือสมัยพุทธการ จะไม่ได้มีอะไรมากมายเปลือกนี่มีนิดเดียวเปลือกบางมากแต่เนื้อนี่เต็มเลยสมัยนี้เปลือกหนาเพ๊กเลยเนื้อนี่มีอยู่นิดเดียวสมัยนี้มีผู้ที่ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้บรรลุธรรมกันกี่คนมีชาวพุทธกี่ล้านคนเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ มีนับถือพระพุทธศาสนากันมีประชากรเจ็ดสิบกว่าล้านถ้าเก้าสิบเปอร์ซ็นเป็นชาวพุทธก็หกสิบกว่าล้านคนแล้วหกสิบกว่าล้านคนนี้เป็นพุทธแท้สักกี่คนเป็นพุทธจริงๆกี่คนพุทธจริงๆก็คือพุทธที่ศึกษาคำสอนพุทธที่พุทธที่ปฏิบัติตามคำสอนพุทธที่บรรลุมรรคผลนิพพานกัน ถ้าเป็นพุทธะนี่จะต้องต้องบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งถึงจะเรียกว่าเป็นพุทธะเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพราะอารหันต์มีไว้ทำไมพระเหล่านี้ก็มีไว้ชาวพุทธได้เป็นกันเลยใช่ไหมเหมือนกับมหาลัยเขามีปริญญาไว้ทำไมมีปริญญาไว้แจกนักศึกษาใช่ไหม ถ้านักศึกษามาเรียนมาหาหลัยแล้วไม่มีใครจบปริญญาไม่มีใครมารับปริญญาเลยนี่แสดงว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นยังไงสอนนักศึกษาไม่ให้จบปริญญาได้แสดงว่าหมดสมรรถภาพมีนักศึกษาเป็นล้านแต่ไม่มีใครรับปริญญาตีโทเอกกันละคนเดียวมีรับกันปีแล้วไม่กี่คนอะปีหนึ่งอาจจะมารับกันสักร้อยคนเป็นพระ พระพุทธศาสนามีชาวพุทธอยู่หกสิบกว่าล้านคนปีหนึ่งอาจจะมีบรรลุพระอริยสักร้อยคนมารับปริญญากันแค่ร้อยคนอีกหกสิบกว่าล้านไม่รู้ทำอะไรกันอยู่ก็ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติน่ะสิเจ้านะทำอะไรกันก็ไปเรียนทางโลกกันแม้แต่เดี๋ยวนี้ทางทางศาสนาเองก็ ไปเรียนทางโลกกันมาบวชเป็นพระเป็นเนแล้วก็ไปเรียนปริญญากันไปทาไมไม่รู้ไปทาไมไม่เข้าใจมาบวชเป็นพระบวชเป็นเนกันแล้วก็ไปเรียนกันทางโลกไปเรียนปริญญาทางโลกกันแล้วพอได้ปริญญาก็ลาศิกขากันแล้วก็ไปทำงานเป็นอนุศสาสนาจารย์ ตามองค์กรต่างๆเขาต้องการคนที่รู้เรื่องพิธีกรรมต่างๆของทางศาสนา <c oughs> ก็จ้างพวกนี้ละ่ะพวกที่มาบวช น, นี่ละเพราะพวกนี้รู้จักขอศีล ร, รู้จักนกํากล่าวคําถวายสังฆทานรู้จักการนำบุก่าวบูชาพระอรหังสัมมาสัมพุทธโทรู้จัก จัดโต๊ะบูบูชาอะไรต่างๆเหล่านี้พวกนี้พอเรียนจบก็ศึกกันไปแล้วก็ไปทําหน้าที่เป็นอนุสาธให้กับองค์กรต่างๆไปเป็นทหารบกฐานเรือหรือท่านทํางานกับบริษัทใหญ่ๆเขาก็เอาคนที่เคยบวชนี่แหละมาทําหน้าที่เวลาที่บริษัทมีการทําบุญกันเขาก็ต้องเอาคนพวกนี้มาเป็นคนจัดการ พวาพวกนี้จะรู้เรื่องพิธีกรรมต่างๆรู้ว่าไปนิมนต์พระที่ไหนนิมนต์เมื่อไหร่เวลาใดรูด้วิธีไปรับพระส่งพระเวลา น, นี่ก็คืออนุศาสน์มาบวชแล้วแต่แทนที่จะมามาศึกษาปฏิบัติธรรมก็มาเรียนวิชาทางโลกกันเรียนจบแล้วก็ลาศิกขาไป น, นี่คือ พุทธศาสนาของเราทุกวันนี้เปิือกหนาปึกเลยเนื้อ น, นิดเดียวมหาลัยนี่มีนั่งศึกษาเป็นหกสิบล้านคนเนี่ยแล้วปีหนึ่งจบแค่รับปิญญาแค่ร้อยคนนี่จะรู้สึกยังไงบ้างอันนี้แหละก็คือศาสนาพุทธของเราทุกวันนี้ปีหนึ่งนี้จะมีพระอริยสงฆ์สักร้อยคนปรากฏขึ้นมาหรือเปล่า พระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์แต่ถ้ามามองความจริงแล้วนี่น่าวิตกนะน่ากังวลมากว่าศาสนาเราเนี้ความจริงมันจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเพียงแต่ว่าภาพลวงภาพหลอกมันกลับเห็นว่ากําลังเจริญรุ่งเรืองใช่ไหม มีวัดไม่วาเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้ไปถึงต่างประเทศใช่ไหมไปสร้างวัดสร้างวาไปอะไรกันหมดแต่ไปทําอะไรกันนะไปทําพิธีขอกันทั้งนั้นใช่ไม้มไปทําพิธีขอกันทั้งนั้นวันเกิดก็นิมนต์พระไปสวดขอพรวันแต่งงานก็นิมนต์พระไปสวดขอพระวันตายก็นิมนต์พระไปสวดขอพรมีแต่พิธีขอทั้งนั้น ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมกันเลยอันนี้เล่าให้ฟังเพื่อเราจะได้เห็นภาพความเป็นจริงของศาสนาของเราทุกวันนี้อย่าไปตื่นเต้นกับปริมาณของคนที่ว่านับถือและอย่าไปตื่นเต้นกับจำนวนของวัดวาอาราม เอความสวยงามของวัดวาอารามแต่มันไม่ใช่ตัวศาสนาไม่ใช่ตัวศาสนาของพุทธของพระพุทธเจ้าเราเดี๋ยวนี้ถึงกับจะต้องมีการไปออกกฎหมายบังคับให้ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไปบังคับทำไมบังคับแล้วมันได้อะไรของงนี้มันบังคับได้ที่ไหน เรื่องของศรัทธาความเชื่อเขียนไปมันก็เป็นแค่ตัวกระดาษเท่านั้นเองถ้าคนจะเชื่อมันไม่ต้องมีกฎมงกฎหมายมาบังคับหรอกสมัยพระพุทธเจ้าไม่เห็นมีต้องเขียนกฎหมายบังคับให้คนมานับถือศาสนาพุทธกันคนก็มาด้วยศรัทธาขอให้มีสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเขาเท่านั้นะสิ่งที่จะดึงดูดจิตใจเขาหาพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนนะไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทียมตอนนี้เรามีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทียมฮคือพระพุทธรูปนี้ก็คือพระพุทธเทียมธรรมะที่บันทึกไว้ในพระในพระไตรปิฎกทั้งโต้เนี่ยก็เป็นธรรมะเทียมเพราะอะไรเพราะไม่มีใครเข้าหากันเนี่ยมีพระไตรปิฎกเต็มโต้ทุกอยู่ทุกวัดไม่มีใครเข้ามาขอยืมหนังสือพระไตรปิฎกไปอ่านกันนลย มีแต่ประดับไว้เป็นเครื่องประดับนะตู้ก็สวยบิดทองลงรักอย่างดนะีหนังสือเต็มไปหมดนะมีครบทั้งสี่สิบกว่าเล่มสี่สิบห้าเล่มเนี่ยแต่ไม่มีใครเปิดเอามาอ่านชักเล่มนะนะถึงเรียกว่าธรรมะเทียมนะพระสงฆ์เทียมก็คือพระสงฆ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บรรลุนั่นแหละก็คือพระสงฆ์เทียมนะเป็นพระที่ยังไม่ เป็นพระสุปฏิปันโนยังไม่ได้เป็นพระอาริยบุคคลนี่คือนี่คือของเทียมที่เรามีกันเยอะแยะไปหมดเราก็หลงอาจจะคิดว่าศาสนาพุทธเราจเจริญรุ่งเรืองกันมีเผยแพร่ไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้ไปประเทศไหนเดี๋ยวนี้ก็จะมีวัดกันแต่จะเป็นวัดแบบไหนก็วัดเทียมเองวัดที่ไม่มีการศึกษาวัดที่ไม่มีการปฏิบัติ วัดที่ไม่มีการบรรลุวัดที่มีแต่การสวดวัดที่มีแต่พิธีกรรมวัดที่มีแต่การขอมันเกิดก็มาขอพรพระเนี่ยมั้ยวันแต่งงานก็มาขอพรพระเห็นไหมเช้านี้ใส่บาตรก็มาคนใส่บาตรเพว่า น, นี้หนูวันเกิดอ่าตงขอให้สุขให่เจริญสาธุสาธุได้ขนาดนั้นพอใจแล้ว เชื่อจริงๆนะคนเราเนี่ยเชื่อว่าพอขอพรนะ้พระบอกขอให้สุขให้เจริญก็คิดว่าจะสุขจะเจริญจริงๆเนะี่ยใจสบายขึ้นมา น, ะนี่หล่ะคือความเชื่อของชาวพุทธเราเชื่อเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเชื่อในสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มีไม่เชื่อกันก็เลยได้แต่มือเปล่าคว้ามือเปล่าจากศาสนาไม่ได้อะไรจากศาสนา สิ่งที่ศาสนาจะมอบให้ไม่ได้กันคือมรรคผลนิพพานนี้ไม่มีไม่ได้กันอริยบุคคลขั้นต่างๆนี้ไม่ได้กันเดี๋ยวนี้การเห็นว่าการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนี่เป็นของสุดวิสัยแล้วเชื่อไหมใครเป็นพระอริยะไดแ้แสดงว่าโอ้โหต้องเป็นเป็นแบบสุดๆเลถึงจะเป็นกันได้ แต่สมัยพุทธกาลเขาเป็นกันอย่างง่ายดายเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเขาก็บรรลุกันเอมันเป็นเหมือนกับสมัยนี้แทบเราเรียนจบปริญญาอสมัยก่อนนี้ก็ไม่มีมาหาไรนี้คนที่เข้ามาหลายก็ต้องคิดว่าเป็นคนยอดสุดยอดกัน่ะสมัยก่อนมีมาหาไรอยู่สองอันจุฬาธรรมศาสตร์นั่นแหะใครเข้าได้นี่ต้องถือว่าโอ้โหเป็นสุดยอดของคน ของคนถึงจะเข้าไปเรียนได้แต่เดี๋ยวนี้มีมหลาลัยเต็มไปหมดใช่ไหมปริญญาบัตรได้กันเต็มไปหมดเลยสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันสมัยพุทธกาลนี่มีผู้ศึกษามีผู้ปฏิบัติกันมากมายกายกองมีผู้บรรลุมากผลผนิพพานบรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันมากมายกายกองจนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติ แต่พอมาถึงสมัยเราเป็นสมัยที่มันเสื่อมจากจากคําสอนจากการปฏิบัติมันก็เลยเห็นว่าใครใครบรรลุปเป็นพระอริยะบุคคล น, นี้ต้องเป็นแบบโอ้โหสุดๆถึงจะเป็นได้ขึ้นมาอันนี้เดี๋ยนี้ไม่มีใครกล้าพูดว่าเป็นอริยะกันเป็นนั่นเดี๋ยวก็อาจจะถูกเขาหาว่าอุตริก็ได้ เขาไม่รู้พูดไปก็รู้ว่าไม่มีใครเขาจะเชื่ออยู่ดีเพราะเขาไม่คิดว่าจะมีจะเชื่อได้ก็ต่อเมื่อต้องตายไปเท่านั้นนะแล้วไปดูกระดูกอกระดูกลายเป็นพระธาตุทีนี้ถึงจะยอมนับว่าเอมีพระอริยบุคคลยังมีพระอริยบุคคลอยู่ในโลกนี้อยู่ในความรู้สึกของชาวพุทธทั่วๆไปนี้เขาไม่คิดว่ามีแล้วนะ พระอาหารหในพุทธศาสนาเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเรื่องในอดีตเป็นเรื่องในยุคของพุทธกาลยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันนี้ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นกันได้ก็เพราะว่าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติมากพอให้คนได้รับรู้ได้เห็นว่าเป็นไปได้มีอยู่มีอยู่ก็น้อยมากแทบจะหาไม่ หาไม่หาไม่พบนะใครพบนี่ก็ถือว่าเหมือนกับพบเพชรเนี่ยทั้งทั้งที่เป็นของที่สามารถเป็นกันได้อย่างง่ายดายไม่ได้เป็นของที่ยาก ง, ง่ายเกินกว่าการเรียนหนังสือจบปริญญาตีโทเอกเลยเป็นแบบเดียวกันท่านั้นเองเป็นเป็นเหมือนกันเป็นขั้นตอนเหมือนกันมีการศึกษามีการทดสอบเหมือนกันกว่าจะได้ปริญญาก็ต้องศึกษา ต้องทําการบ้านต้องไปสอบเมื่อสอบผ่านก็ได้รับปริญญากันการปฏิบัติเพื่อบรรลุมร่างผลนิพานก็เหมือนกันก็ศึกษากันศึกษาแล้วก็ไปทําการบ้านก็คือไปปฏิบัติไปทําข้อสอบกัน การทาการบ้านทำข้อสอบของศาสนาก็คือการปฏิบัติอสอนให้ทำอย่างนี้ทำได้หรือเปล่าอสอนให้รักษาศีหน้ารักษาสีหน้าได้หรือเปล่ารักษาได้กี่วันสมมติอาทิตย์หนึ่งรักษาได้สามวันก็ยังแสดงว่ายังไม่ได้เต็มร้อยอยังไม่ยังไม่เป็นสุปฏิปันโนทำต่อไปทำให้มันได้ครบเจ็ดวันครบห้าข้ อ, อ ถึงจะเรียกว่าผ่านข้อนี้ไปผ่านศีลห้าอพอผ่านศีลห้าก็ต้องขึ้นศีลแปดทำได้ไหมทำได้กี่วันศีลแปดอันนี้แหละคือการทำการบ้านการทำข้อสบอบการเรียนก็เรียนรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างทำทานทำได้เท่าไหร่น้ 110, 120, 130, อยละสิบ้อยละยี่สิบ้อยละสามสิบ ถ้าอยากําให้เต็มถ้าอยากจะเป็นพระอริยบุคลคลก็ต้องทำให้เต็มร้อยโดยอย่างน้อยก็ทำเอาเงินทั้งหมดที่มีอยู่นี้ไม่เอาไปใช้ในทางที่ผิดคือไม่เอาไปใช้กับการเสริมสร้างกิเลสตัณหาส่งเสริมกิเลสตัณหาต้องเอาไปส่งเสริมธรรมถึงจะเรียกว่าเป็นการทำทานที่ถูกต้องเป็นการใช้เงินที่ถูกต้องไม่เป็นโทษ เป็นการส่งเสริมจิตใจให้บรรลุมรรคผลผนิพพานอันนี้ก็ทานศีลก็รักษาเริ่มต้นที่ศีลห้าตอนต้นก็อาจจะศีลสี่ศีลสามศีล ส, ส, ส, สองไปก่อนก็ได้เอาสักข้อหนึ่งก็ยังได้ดีก็ไม่มีสักข้อหนึ่งเลยลองรักษาแบบจริงๆสักข้อหนึ่งก่อนก็ได้ไม่ต้องห้าข้อหรอก เช่นข้อสุราง่ายที่สุดต่อไปนี้ไม่ดื่มสุราได้ไหมไม่ว่าจะอะมีเหตุผลอันใดก็ไม่ดื่มไปงานเลี้ยงเขาให้ดื่มสุราก็ไม่ดื่มขอน้ําเปล่าแทนน้ําผลไม้เอน้ําอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นสุราอรักษาข้อนี้ให้ได้ก่อนอข้อที่สองอไหนดีไม่ประพฤติผิดประเวณีเอ ไม่ไปเที่ยวซ่องไม่ไปเที่ยวตามบาตามผับไม่ไปเสพสัมสอนกับร่วมเพศกับคนที่เราไม่ได้เป็นคู่ครองของเราไม่ได้เป็นสามีไม่ได้เป็นภรรยาข้อที่สามไม่ลักทรัพย์ได้หรอเปล่าหากเอาไปทีละข้อก็ได้ถ้าเอาทีเดียวห้าข้อมันรู้สึกมันมากเกินไปเอาทีละข้อก่อนปีนี้รักษาข้อที่ห้าก่อนปีนี้ทั้งปีไม่ดื่มสุราได้เปล่า ถ้าได้ปีปีที่สองอาจจะรักษาเพิ่มไม่เที่ยวแล้วไม่ไม่เที่ยวไม่ไปประพฤติผิดประเวณีแล้วอพอปีที่สามาก็ไม่ลักทรัพย์ไม่เอาเข้าของเงินทองของใครปีที่สี่ไม่โกหกปีที่ห้ า, าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถ้าเรียนอย่างนี้มันจะช้ามากนะ ควจริงมันควรจะทำได้เอาเอ า, เอาทีละ เ, เดือนก็ได้จะได้เร็วหน่อยเดือนนี้รักษาข้อที่ห้าให้ได้แพอเดือนที่สองก็รักษาข้อที่ข้อต่อไปเรื่อยๆภายในห้าเดือนเราก็จะรักษาศีลได้บริสุดนะพอเดือนที่หกก็รักษาศีลหกไปเลยลาเวนจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอเดือนที่เจ็ดก็รักษาศินเจ็ดไปเลย ไม่เที่ยวเตะไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกร่นงกายข้อที่แปดก็ไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนอนกับพื้นนอนคนเดียวไม่นอนกับแฟนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามปฏิบัติให้ได้อันนี้ถ้าไม่พยายามไม่ผลักดันมันไม่ไปเองทางนี้มันจะต้องมีมาตรการควบคุมบังคับ เหมือนกับมีตารางเดือนนี้รักษาศี่ข้อนี้เดือนที่สองรักษาเพิ่มเป็นสองข้อเดือนที่สามรักษาสามข้อต้องมีตารางกำหนดไว้มันถึงจะไปได้เหมือนโรงเรียนใช่โรงเรียนเขาก็มีตารางสอนไม่ใช่นะไปโรงเรียนปอนหนึ่งเขาจะสอนอเดือนนี้เดือนแรกสอนอะไรเดือนที่สองสอนอะไรเดือนที่สามสอนอะไรจึงจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ไม่ใช่เปล่าไปถึงโรงเรียนก็ครูก็ไม่รู้จะสอนอะไรเด็กก็ไม่รู้จะเรียนอะไรอย่างนี้มันก็จะไม่มีการการจเจริญก้าวหน้าการจเจริญก้าวหน้าทางศึกษาของพุทธศาสนาก็แบบเดียวกันต้องมีตารางต้องมีการกำหนดธรรมธารไม่งั้นเราจะไม่ก้าวหน้าเราอยากจะ ก, ก้าวหน้ากันไม่ใช่เลยเราไม่อยากจะเป็นพระอริยบุคคลกันยังไ ง, ไง ไม่อยากจะอหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากจะหลุดออกจากอบายปิดประตูอบายกันเอส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือเปล่าเรายังไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้จะทําให้ไม่มีการไปเกิดใน บ, บายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีอีกเหมือนกันมันก็เลยทําให้เราไม่มีความมั่นใจเหมือนกับการเรียนทางโลกะ การเรียนทางโลกนี้มันเห็นผลไงพอเรียนจบปริญญาก็ได้งานดีพอได้งานดีก็ได้เงินเงินดีพอได้เงินดีก็ได้ซื้อของดีซื้อของอยากก็ได้ได้ของดีดีมันเห็นชัดมันก็เลยทำให้เรามีมุมานะ่ะมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติที่จะศึกษาที่จะเรียนให้จบไนงะ แต่ทางศาสนานี่ผลมันไม่ชัดเจนมองไม่เห็นกันมันเป็นนา ม, มาธรรมมันเป็นของที่มองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่ที่มีจริงเมื่อเห็นว่ามันไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือไม่มีจริงมันก็เลยโลเลไม่มั่นใจเพราะว่ามันมันยังติดอยู่กับของเดิมอยู่ติดอยู่กับของเก่าอยู่ ยังติดอยู่กับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เพราะว่าถ้าจะมาทางธรรมนี้มันจะต้องละการหาราบยศสรรเสริญสุขไปนั่นเองอซึ่งเป็นสิ่งที่มันก็ทําให้ตัดสินใจยากเพราะว่าสิ่งที่จะได้นี้ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าะ เหมือนกับให้คนเราทํางานเงินเดือนดีๆอยู่แล้วมีบริษัทมาชวนไปทํางานกับเขาแต่เขาบอกเขาไม่รับรองว่าจะมีเงินเดือนให้หรือเปล่าห <c oughs> รือว่ามีแต่เรายังไม่เห็นเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะถูกหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวพอออกไปแล้วพอไปทํางานเขาบอกว่าไม่มีเงินเดือนให้หรือมีน้อยกว่าที่เขาจะให้เราเราก็จะเสียใจอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งสําหรับชาวพุทธเรา เธอเราไม่สามารถมองเห็นผลที่จะเกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราเลยไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าอย่างไรมีความวิเศษอย่างไรถ้าในสมัยพระพุทธกาลนี่เราจะรู้เพราะมีผู้โฆษณามีเซลแมนเยอะมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันต์เป็นเซลแมนแล้วท่านก็จะ ท่านกระจะเสน อ, อคุณสมบัติต่างๆที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติว่าปฏิบัติแล้วจะได้อย่างนี้อย่างนั้นนะเหมือนคนขายประกันซื้อประกันแบบนี้แล้วจะคุ้มครองอย่างนั้นคุ้มครองอย่างนี้แจกแจงรายละเอียดให้เห็นอย่างชาัดเจนอพอมีการแจกแจงรายละเอียดสอนกันอย่างชาัดเจนคนซื้อประกันก็มีความมั่นใจก็ยอมเสียเงินซื้อประกันมา สมัยพุทธกาลมีคนออกบวชกันเยอะเพราะพอฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือฟังเทศฟังธรรมจากพระาหลานตาสาวก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อท่านอธิบายแจกแจงให้รู้ว่ามรรคผลนิพพานเป็นยังไงโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลเป็นยังไงบรรลุแล้วได้อะไรขึ้นมาท่านแจกแจงได้อย่างละเอียดฟังแล้วแหมมันก็อยากจะได้ทันที คนไปบวชกันเยอะสมัยพุทธกาลแต่มาสมัยเรานี่เซลแมนหายไปหมดแล้วไม่มีเซลแมนถ้าเป็นคําสัอนพระทเจ้าก็เป็นตําราอยู่ในตู้ต้องไปค้นคว้าหาเอาเองคนไหนถ้ามีความขยันมีความเพียรเข้าไปศึกษาพระไตรปิฎกก็เกิดศรัทธาได้ต่างชาติเขาไม่รู้จกักพระพุทธศาสนามาก่อนแต่พอเขาได้มา แปลหนังสือแปพระไตรปิฎกแล้วเขาได้ศึกษาได้ค้นคว้าเขาก็เกิดศรัทธากันขึ้นมาปฏิบัติตามกันอย่างนี้ต่างชาติเนี่ยได้เนื้อกันเยอะเพราะต่างชาติเขาเข้าทางพุทธศาสนาผ่านทางการศึกษาไม่ได้ผ่านจากการขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนเหมือนพวกเราพวกเราอยู่ในเมืองพุทธเลยไม่ต้องศึกษากัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีสอนให้ทากันก็เลยทำกันมาตามกันมาโดยที่ไม่รู้ว่าทำไปทำไมรู้คำเดียวว่ามันดีทำแล้วดีแต่ไม่รู้ว่าดีอย่างไรแต่พวกต่างชาตินี้เขาศึกษาเขารู้ว่ามันดีอย่างไรเขารารู้ว่ามันมีผลกระทบที่ดีต่อจิตใจเขาเขาเห็นผลแตกต่างจากการที่เขาได้ศึกษากับตอนที่เขาไม่ได้ศึกษา ตอนที่เขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัตินี้จิตใจเขาวุ่นวายเขาอยู่ในในโลกที่เจริญด้วยวัตถุด้วยลาบยศสรรเสริญสุขแต่เขาเพนใจของเขานี้วุ่นวายไม่มีความสุขไม่มีความสงบเลยแต่พอเขาได้มาศึกษาได้ลองปฏิบัติตามคําสอนเขาได้ดับสัมผัสความนุ่มเย็นความสงบที่เกิดจากการศึกษาจากการปฏิบัตินทําให้เขาเกิดศรัทธาขึ้นมา เนี่ยเขาเข้าถึงถึงแก่นเข้าถึงเนื้อเลยพวกนี้เขาจะไม่รู้จักพิธีกรรมอย่างที่เรารู้กันนะไม่รู้จักกวดนะไม่รู้จักขอพรพระพวกต่างประเทศก็ามาไม่เคยมาขอพร ว, วันนี้วันเกิดผมขอพรหน่อยไม่มีเจอพระพุทธรูปก็ไม่เคยจุดูเทียนบูชาขอนู่นขอนี่เพราะว่านี่มันไม่ได้เป็นส่วนไม่ได้เป็นเนื้อของศาสนา พวกต่างชาตินี้เขาเขาเข้ า, ขาถึงเนื้อของศาสนาเลยเพราะเป็นเป็นทางเข้าของเขาทางเดียวเท่านั้นเมื่อก่อนไม่มีวัดไทยเนยมีแต่พระไตรปิฎกที่เขาเอาไปแปลกันมีมีต่างชาติที่รู้ภาษาบาลีพอมาศึกษาบาลีรู้ภาษาบาลีมาเจอพระไตรปิฎกก็เลยเอาไปแปลเป็นภาษาของเขาเอาเป็นแปลของเขาพวกอพวกที่ฉนใจศึกษาอ ก็มาสนมาศึกษาดูพอศึกษาแล้วก็เกิดความประทับใจในคำสอนที่ไม่เหมือนใครก็เลยลองไปปฏิบัติดูพอปฏิบัติดูก็เห็นความแตกต่างของจิตใจที่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนพอได้สัมผัสได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ผลจาก ได้สัมผัสผลจากการปฏิบัติมันทำให้จิตใจเย็นซาจากจิตใจที่รุ่มร้อนวุ่นวายใจกับเย็นลงอย่างมหัศจรรย์ใจทำให้เขาเกิดศรัทธาอยากจะศึกษาอยากปฏิบัติมากขึ้นจนถึงต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาบวชเพราะว่าที่ประเทศเขาไม่มีสานักบวชแล้วเขามาเขาก็ต้องมา เขาก็พุ่งมาหาสำนักปฏิบัติอย่างเดียวเขาไม่ไปบวชตามวัดที่มีพิธีกรรมต่างๆเพราะเขารู้ว่าอันนั้นไม่ใช่เป็นเป็นเหตุที่จะทำให้เขาได้ผลที่เขาต้องการเขาต้องการไปที่ที่มีการเจริญสติสมาธิปัญญาเป็นที่ที่มีการปฏิบัติเขาก็มุ่งไปสู่วัดป่าทั้งนั้นไปอยู่กับพระป่าพัด ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเขาอยู่ไกลแสนไกลเขากับค้นพบเขากับมหาเพชรได้แต่พวกเราอยู่ใกล้กับมหาเพชรไม่เจอกันเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเพชรอะไรเป็นเป็นกระจกเป็นก้อนหินนะเพราะเราไม่ได้ศึกษากันอันนี้คือเรื่องของศาสนาที่เริ่มต้นด้วยการสอนให้เรา เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถะเราต้องค้นคว้าขนขวาย ห, หาพระพุทธศาสนาให้เจอตอนนี้เราอยู่ในเมืองพุทธแต่เราไม่รู้ว่าพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนกันเรากลับไปคิดว่าพุทธศาสนาอยู่ที่พระพุทธรูปอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่เจดีย์อยู่ที่พิธีกรรมต่างๆอันนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติ อยู่ที่การบรรลุธรรมต้องศึกษาศึกษ า, กษาจากพระไตรปิฎกก็ได้ศึกษาจากพระอริยสงสาวกก็ได้ตอนนี้มีอยู่สองแหล่งด้วยกันคือพระไตรปิฎกกับพระอริยสงสารุกระเรามีพระไตรปิฎกอยู่ในมือถือเราแล้วเชื่อไหมไม่เคยกดเลกขึ้นมาเลยมือถือเราเนี่เหมือนเหมือนกับตะเกียงวิเศษใช่ไหมอยากจะได้แล้วรูปสามทีมันก็โผล่ขึ้นมาละ สิริต้องการนุ่นเรียกสิริก็ได้เรียกอเล็กซ่าก็ได้เห็นไหมเหมือนกับตะเกียงวิเศษไหมสมัยก่อนน้าก็มีตะเกียงวิเศษพอรูปสามทีก็มีอ่ามีนางฟ้าออกมาถามพี่ต้องการอะไระเสด็จพี่ต้องการอะไรบอกวต้องการเบียเอาไมเบียมาเสิร์ฟเลยมือถือเราก็เหมือนกันนี่ต้องการอะไรมันมาได้ต้องการเบียร์มันก็หามาให้ได้ใช่ไหมต้องการพิซซ่ามันก็หามาได้ เนื้ตะเกียงวิเศษสมัยนี้ก็คือมือถือนี่เองทาไมเราไม่เรียกมันมาหาพระไตรปิฎกให้หน่อยเอามองคลล่าสุมาให้ดูหน่อยสิมงคลสามสิบแปดมีอะไรบ้างอออันนี้แหละอยู่ที่การศึกษาถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรู้ว่าคําสอนพระเจ้ญญานี้ไม่ได้สอนให้ขอไม่มีข้อใดข้อหนึ่งที่สอนให้เราขอเลยมีแต่สอนให้เราศึกษาแล้วปฏิบัติด้วย อัตตาหิอัตโนนาโถต้องปฏิบัติด้วยตนเองผู้อื่นปฏิบัติให้เราไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติให้เราไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนเราได้บอกเราได้แต่เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติกันเองถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะได้ผลได้มรรคผล น, ผนิพพานได้หลุดพ้นได้ความสุขที่เรียกว่าบร ม, มสุขได้ความนุ่มเย็น เป็นสุขความวุ่นวายใจความเสียใจความเศร้าโศกอะไรต่างๆนี้จะหายไปหมดถ้าเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันอย่างนั้นขอให้เราเข้าหาศาสนาด้วยทางที่ถูกเถิดคือเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทียมพระพุทธแท้ก็คือเนี่ยคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือประวัติของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธแท้พระพุทธเทียมก็คือพระพุทธลูกที่เราไปกราบไหว้กันพระธรรมคาสอนก็ต้องเข้าศึกษาต้องอ่านให้เข้าใจอย่าอย่าปล่อยให้อยู่ในตู้เฉยๆหยิบออกมาอ่านถ้าเอามาอ่านแล้วก็จะ เราก็จะได้รู้ว่าศาสนาสอนให้เราทำอะไรหรือถ้าเรามีโอกาสได้เจอกับพระอริยสงฆ์ก็ศึกษาจากท่านไปแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรเพราะเราปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดความน่มเย็นเป็นสุขความจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะละก็จะตามมาเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลวาหาปุราปาลิปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกะปติอิชิต an ังปะทิตังตุมห um ังคิดเปเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยทามณิโชติอร拉โสยทาสพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทานสีิตสานิจังวุ ธ, ธาปจายนจโนจตารธรมมวะทานติอายุวนันโอสุขังภาลังท่านที่มาทีหลังถ้าต้องการถวายข้าวของก็ยังเข้ า, ขาข ม, มาได้อยู่เข้ามาถวายได้ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญมาหยิบไปได้ ทีมงานลองกดมือถือดูว่ามงคลสามสิบแปดโผล่ขึ้นมามั้มน่าจะลองกดดูสิขครก็ได้ดูว่าเราพูดจริงไม่จริงขึ้นใช่ไหมอลองอ่านดูสิมงคลสามสิบแปดอันนี้แหละจะได้เข้าถึงมักผลนิพานได้สามสิบแปดขั้นตอนสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือมงคลสามสิบแปด อ่านเถแล้วจะฉลาดจะรู้ว่าควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไรวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยสิบห้าสองร้อยสิบห้าวิทยุออนไลน์สามสิบสี่รับฟังข้างบนเขาสี่สิบคนรวมทั้งหมดเป็นหกร้อยสี่ครับ อันนี้รู้สึกว่าเฟซบุ๊กจะลดลงแต่ YouTube จะเพิ่มขึ้นอาจจะย้ายช่องเฟซบุ๊กอาจจะไม่สะดวกเหมือนกับ YouTube เมื่อก่อน y o youtube มีน้อยเมื่อก่อน Facebook ไมีเยอะสี่ร้อยกว่าอี น, นี้สังเกตลดเหลือสามร้อยกว่า YouTube นี้ขึ้นไปเกือบสองร้อยนะคงจะสะดวกทาง YouTube มากกว่ า, าเพราะ YouTube นี้ไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกเนี่ย เข้าได้เลยเพจบุ้งนี้ต้องสมัครบางทีต้องล็อกอินอยู่เรื่อยๆบางทีเดี๋ยวมันเรียกล็อกอินอยู่ด้วยอาจจะเบื่อมีใครอยากจะถามไหมใครอยากจะถามอะไรตอนนี้ถามได้นะถ้ายัางไม่มีก็ให้เอาคำถามทางบ้านมาถามก่อนก็แล้วกันครับคำถามจากทางไลน์นะครับจากคุณสไมล์ พระอาจารย์ครับคนชอบตีหมาด่าชาวบ้านคิดแต่สิ่งไม่ดีเพราะเขาขาดทำอะไรครับขาดเมตตาธรรมคนไม่มีความเมตตาคือไม่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคนเห็นแก่ตัวต้องทําอะไรให้ตัวเองทําให้อะไรกับตัวเองอย่างเดียวก็เลยไม่สนใจแล้ว ว่าทำไปแล้วจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่คำถามจากคุณโชติมากราบเรียนถามพระอาจารย์วิธีพ้นจากคู่กรรมต้องทำอย่างไรเจ้าคะออมันก็มีหลายวิธีก็อยากันก็ได้ถ้าเป็นสามีภรรยากันก็อยากัน แล้วก็แยกกันอยู่คนละเมือง เ, อเขาอยู่เมืองนี้เราก็ไปอยู่เมืองนั้นะมันก็แยกกันได้เออจะติดต่อกันเอถ้าพบปะกันก็ไม่ต้องพูดจากันพยายามเดินไปคนต่ทางเขามาทางนี้เราก็ไปทางน ون, าู้นอย่าไปมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันคําถามจากคุณนิชา น, านันกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ วันก่อนได้ถกปัญหาเรื่องกรรมโดยโยมบอกว่าโยมเชื่อเรื่องกรรมโดยไม่สงสัยแล้วพี่เขาถามว่าน้องเชื่อไหมว่าชาติหน้ามีจริงต้องรอให้ตายก่อนหรือต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เราถึงจะเจอชาติหน้าก่อนหน้านี้พี่เขาก็นับถือพุทธศาสนา ก่อนที่จะล้มละลายเขาสวดมนต์ทุกวันขอให้ชีวิตผ่านช่วงวิกฤตไปให้ได้แล้วพบว่าไม่มีใครช่วยเขาได้จึงเดินไปเปลี่ยนาศาสนาที่โบสถ์จากพุทธเป็นคริสต์ค่ะสรุปชาติหน้ามีจริงไหมแล้วต้องรอให้ตายก่อนถึงจะเจอชาติหน้าแล้วถ้าเปรียบเทียบว่าชาติหน้าก็เหมือนวันพรุ่งนี้เปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมคะก็แล้วแต่คุณนะ เพราะชาตหน้ามันเป็นของที่คุณจะต้องเห็นเองคนอื่นเห็นให้คุณไม่ได้เพระถ้าคุณมีวิธีไหนทำให้คุณเห็นทำให้คุณเชื่อก็เอาวิธีนั้นก็แล้วกันส่วนคนอื่นเขาจะเชื่อตามคุณหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องของคุณที่จะต้องไปกังวลคนที่เขาจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขาขอให้เราเชื่อก็แล้วกันเชื่อเพราะอะไรอย่างน้อยก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่าน ท่านท่านเชื่อท่านเห็นว่ามีจริงอแล้วท่านก็มาสอนพวกเราอีกทีหนึ่งถ้าพวกเรายังไม่เห็นเองก็ต้องเชื่อคนที่เห็นแล้วอพวกเราเหมือนคนตาบอดคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีคนตาดีบอกเดินไปตรงนั้นมีแต่หลุมแต่บอ่ออันตรายอย่าไปให้ไปทางนี้ทางนี้ปลอดภยัยอันนี้จะเชื่อไม่เชื่อคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดี ถ้าเรายังไม่เห็นเองก็ต้องเชื่อคนตาดีแต่เราสามารถเห็นเองได้แต่เราต้องลืมตาตาในตอนนี้ตาในเราบอดตาในเราปิดวิธีเปิดตาในก็ต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบเมื่อเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองเห็นอดีตเทนอนาคตเห็นชาตินีิชาติหน้าชาติอดีตต่างๆ คำถามจากคุณชุติมากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ผ่านมาสังเกตว่าหากพุโทโธพร้อมกับอยู่ในอริยบททั้งสี่มีหลุดใจส่งออกแล้วความทุกข์ก็เข้ามาครอบครองใจจนนานมากวันนี้จึงอยู่กับพุโทโธจึงสบายขึ้นแต่คอยระวังไม่ให้ออกกลัวทุกข์ อย่างนี้คงเป็นเพราะตัวเรามีกิเลสมากใช่หรือไม่เจ้าคะก็นั่นหละถ้าเราคิดมากคิดไปทางกิเลสมันก็ทุกมากถ้าเราหยุดคิดมันก็จะไม่ทุกหรือถ้าคิดคิดไปในทางธรรมก็ไม่ไม่ทุกได้คำถามจากคุณวันกราบเรียนถามพระอาจารย์อุตรกุรุทวีป ถ้าทำสมาธิถึงระดับไหนถึงจะไปได้ครับไม่รู้นะเพิ่งได้ยินวันนี้แหละอุต a ะทวี w i ครั้งแรกในชีวิตเราไม่เคยไปเราไม่รู้ไปทางไหนไปอย่างไรลองถาม Google ดูดีกว่าอุตระทวี t อ r a t ะก i ุุทวี r ครับอลองคนดูได้มีไหมต่อไป คำถามจากคุณคุณป่องนะครับกราบนมัส ก, การเจ้าค่ะคนที่ไปวัดทำบุญด้วยกันประจำแต่มายืมเงินแล้วไม่จ่ายเขาทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่พูดถึงเงินที่เอาของเราไปเจอกันก็ตีหน้ายิ้มแย้มทักทายเหมือนดีกันแต่ใจเราร้อนเหมือนถูกไฟเผาด้วยความโกรธเราจะทำอย่างไรเพราะเงินจำนวนมากอยู่เจ้าค่ะ ทำใจลำบากจริงๆเพราะเราก็ไม่ใช่คนรวยเขาอยากจะโทษจอบเราว่าเราเป็นคนใจบุญจริงหรือเปล่ามั้งถ้าเราเป็นคนใจบุญจริงเราก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปเราก็จะสบายมีความสุขแต่ถ้าเร า, ไ ป, เาไปถือว่าเป็นของเราแล้วให้เขายืมเราก็จะทุกข์ถ้าเขาไม่ให้คืนเราเอะนั้นก็อยู่ที่เรารู้จักทำใจหรือไม่ทาใจ คำถามจากคุณบันดิตกราบถามพระอาจารย์ครับเมื่อทำใจว่างได้แล้วเราจะดูใจที่ว่างหรือดูความคิดครับถ้าคิดมันก็ไม่ว่างเลต้องไม่ให้มันคิดมันถึงจะว่างพยายามทำใจให้ว่างอย่าให้คิดอะไรไปทั้งวันทั้งคืนนั่นคือเป้าหมายของการปฏิบัติไม่ใช่ว่างแต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้น ออกจากสมาธิมาก็ต้องให้มันว่างต่อไปถ้ามันคิดก็ต้องหยุดมันเคำถามหมดครับหมดแล้วใครมาทีหลังอยากจะเอาเข้าของเข้ามาถวายก็เข้ามาได้ช่วงนี้มีช่วงพักเชิญเข้ามาได้เข้ามาทางด้านหลัง ทำบุญไปเถอะบุญเนี่ยของแท้ของจริงสาธุสาธุคะความบุญแล้วได้ดิีได้ดีแน่นอนสาธุสาธุค่ะพระพุทธเจ้าสอนให้ทำบุญละบาปชำระกิเลสตัณหาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่แท้จริงเหตุที่นำมาสู่ความสุขความเจริญ ทำทำอย่างไหนได้ก็ทำไปอย่างไหนยังทำไม่ได้ก็รอไว้ก่อนอ่อโอเคนะอ่ามีอะไรอยากจะถามไหมผมพ่อลูกมีคำถามถามนึงค่ ะ, อ, ะอ่าเลยอ่าเกิดกับตัวลูกเองค่ ะ, ะคือลูกรู้สึกท้ออ่ะคือทำบุญมานานแล้วแบบรู้สึกท้อว่าทำไมลูกถึงต้องเจ็บป่วยมากกว่าคนอื่นขนาดนี้อะไระอ่งี้อ๋อมันเป็นกรรมเก่าไง บุญที่เราทําวันนี้ยังไม่สามารถที่จะไปแก้กรรมเก่าได้กรรมเก่าก็ต้องส่งผลบุญที่เราทํามันก็ส่งผลต่อไปเหมือนปลูกปลูกปลูกต้นไม้ปีที่แล้วกับปลูกต้นไม้ปีนี้มันผลมันออกต่างกันนะถ้าเราปลูกต้นไม้ไว้ก่อนมันก็ต้องออกผลก่อน ตอนไม้ที่เราปลูกปีนี้ก็ต้องรอไปปีหน้าหรือหลายปีข้างหน้ามันถึงจะออกผลงั้นอย่าอย่าท้อแท้ในการทำบุญทำไปสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดกับเราถือว่ามันเป็นผลที่เกิดจากที่เราทำมาในอดีตบาปที่เราทำมาในอดีตมันส่งผลแต่บุญที่เราทำมันยังไม่ได้ส่งผลมันเหมือนปลูกต้นไม้ สูกต้นไม้ก็ต้องรอให้มันมีเวลาเจริญติโตออกดอกออกผลต่อไปแล่มันออกแน่ๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ทันใจเราเท่านั้นแหละเรามันแบบคิดว่าเหมือนเปิดสวิทช์ไฟเปิดปุ๊บไฟก็ติดปั๊บบุญมันไม่ได้เป็นแบบนี้บุญมันก็ต้องใช้เวลาดูพระเวสสันดรเป็นตัวอย่างพระเวสสันดรท่านทาบุญทั้งแต่ท่านอยู่แบบอดอยากขาดแคลน แต่พอท่านตายไปนั่นก็ไปเกิดบนสวรรค์พอลงจากสวรรค์ก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะเพมันเป็นเป็นต่างวาระกันผลที่เรากําลังรับนี่มันเป็นผลที่เกิดจากอดีตชาติที่เราทํำมาซึ่งเราไปลบไม่ได้ไปล้างไม่ได้ไปเปลี่ยนไม่ได้ส่วนบุญที่เราทํานี้มันเป็นผลที่จะส่งให้เราต่อไปไ้เวลาตายไปบุญก็จะส่งเราไปสวรรค์ พอกลับมาจากสวรรค์ก็จะกลับมาเป็นเศรษฐีมาล่ำมารวยนะตอนนี้บุญทำให้เราได้ก็คือสบายใจอาตอนนี้ก็ได้ผลของบุญในปัจจุบันก็คือความสบายใจวันไหนไม่สบายใจไปทำบุญรับรองได้ว่าจะสบายใจนะแต่อยากไปทุกข์กับผลที่ไม่ดีเพราะเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นเหตุมันเป็นผลที่เกิดจากการการะทาของเราในอดีต บรรเทาไม่ได้เลยนะค่ะหลวงพ่อก็ทําบุญเนี่ยจะบรรเทาได้คือบรรเทาคือทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันไงเวลาเราไม่สบายใจเราทําบุญเราก็สบายใจใอ้ที่เราทุกข์กับผลที่เกิดขึ้นก็เพราะเราอยากไม่ให้ไม่ให้มันเกิดงั้นเราต้องมาทําใจเกิดก็เกิดช่างหัวมันห้ามมันไม่ได้เหมือนเหมือนฟดตกด่านออกห้ามมันไม่ได้ผลจะตกก็ปล่อยมันตกไป ลุกพยายามจะแยกจิตลกลายออกจากการของพ่อไม่คิดถึงความเจ็บปวดแต่มันก็ทําไม่ได้เลยพ่อไม่ใช้พุโทโธเลยต้องใช้พุโทโธเลยเอา่าเวลามันเจ็บก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บแต่เดี๋ยวมันก็หายหรือมันถ้ามันมันไม่หายมันก็จะเบามันจะไม่ทําให้เราวุ่นวายใจต้องมีพุโทโธถึงจะทําให้แยกได้ถ้ามานั่งคิดเฉยๆแยกไม่ออกแล้ว เพราะกเลสมันจะไม่ยอมมาแยากแบบนั้นมันจะยอมยากก็ต่อเมื่อเราใช้พุโทโธงัดมันออกมามนะต้องใช้พุโทโธงัดออกมาก่อ น, นะพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดพุโทโธแล้วเดี๋ยวใจก็จะสบายนะพอะจะเข้าใจแล้วนะอ่ะอะ า, ออาได้อ่ามีคําถามต่อครับ ถ้าอยากจะฟังก็ฟังได้ถ้าอยากจะไปก็ไปได้นะ อ, อ่าฟังก็ฟังต่อขอกราบเรียนถามครับเรื่องความหมายของวิต ก, กับวิจารในองค์ชานหนึ่งครับก็วิตกก็แปลว่าตึกเนี่ยวิจารก็แปลว่าตรองเช่นเราตึกตรอนกับอะไรตึกตรอนกับลมหายใจเข้าออกตึกก็คือรู้ว่าเรากำลังหายใจเข้ารู้ว่าเรากำลังหายใจรู้ว่าเข้าหรือออกก็เรียกว่าวิจาร รู้ลมก็เรียกว่าตรึกรู้ว่าลมเข้าลมออกก็เรียกว่าตรองรู้ว่าลมสั้นลมยาวลมละเอียดลมหยาบนี่ก็เรียกว่าตรองวิจารไงตรึกก็รู้ว่านึกถึงมันคำว่าตรึกก็คือนึกถึงนึกถึงลมหายใจนึกแล้วก็มาวิจาร์ว่ามันเป็นลมสั้นลมยาวอย่างนี้คืออยู่กับเรื่องเดียวตรึกตรองอยู่เรื่องเดียวไม่เหมือนกับทางโลกติึกตรองมันทีหลายเรื่อง ติดตองเรื่องเงินแล้วก็ติดตองเรื่องแฟนติดตองเรื่องแฟนแล้วก็มาติดตองเรื่องลูกมันเลยไม่สงบเข้าใจ ไ, ไมถ้าอยากจะให้มันสงบให้มันติดตองอยู่เรื่องเดียวพุทโธก็ได้นึกถึงพุทโธก็เรียกว่าติกรู้ว่ากำลังพุทโธก็เรียกว่าตองแต่ถ้ า, ถ, าถ้าเกิดมันเป็นความคิดเกี่ยวกับพวกหัวข้อธรรมนี่เขาไม่เรียกว่าวิตกวิจารใช่ไหมครับ มันมันก็เป็นวิตกวิชารแต่มันไม่เป็นวิตกวิชาในฌานเพราะว่ามันมันจะไม่ทําให้ใจสงบถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวมันจะยาวออไปมันจะปรุงแต่งสังขารมันจะปรุงแต่งเราต้องการหยุดปรุงแต่งในฌานนี่เราต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งเราถึงไม่ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวให้เพียงแต่รู้เฉยเฉ ย, ย, ยรู้ว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่ากําลังพุทโธพุทโธแค่นี้พอ แต่ถ้าไปแยกแยะว่าด้วยเหตุด้วยผลว่าคนนี้เป็นอย่างนี้เพราะทำอย่างนั้นคนนั้นทำอย่างนั้นเพราะาเป็นอย่างนี้อันนี้มันไปไปทางวิปัสสนาแล้วมันจะไม่สงบแล้วท่องพุทโธ ท, ทีทีได้ไหมครับได้ถีก็ได้ห่างก็ได้เร็วก็ได้ช้าก็ได้แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสบางทีจิตมันเดืออาจจะต้องถี่ จ, จะต้องเร็ว เวลาที่จิตมันไม่ดื้อก็พุทโธไปสบายสบายก็ได้แล้วก็อีกคําถามนึงครับเออพอผมนั่งรู้ล่วงหายใจไปแล้วพอพอมันมันดิ่งลงไปครับพอมันดิ่งลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันก็มันก็จะสว่างแล้วก็มันขึ้นมามันยังมีความคิดนะครับก็เลยงงว่ามันมันยังไม่ถึงฌานใช่ไหมครับมันสงบเดียวๆไงเรยว่าคั้นี้กะดิ่งลงไปแบบงูแลบเล้นไง สงบปุ๊บแล้วก็ถอนออกมามาคิดต่อก็ทำใหม่ต่อไปพุทโธใหม่ต่อไปต่อไปทำไปนานๆมันก็จะอยู่ได้นานมันดิ่งลงไปแล้วมันก็จะไม่ถอนออกมาทันทีตอนนี้สติเรามีกำลังน้อยมีพอที่จะดันมันให้ลงไปพอดันเสร็จหมดสติมันก็ดึงมันแรงกดแรงดีดมันก็กลับมาทันทีตอนอยู่ในฌานนี่ยังไม่หลับใช่ไหมครับยังยัง้ตัวนะครับาหลับก็ไม่ใช่ฌานหรอกะ มันตื่นตลอดเวลาเหมือนการเราคุยกันอย่างเนี้ยรู้สึกตัวอย่างนี้ถ้าหลับก็ไม่เรียกว่าฌานกล่าวขอบพระคุณครับอยากจะถามอีกไหมท่านอยากถามแต่ไม่กล้าถามอ่าอ่า อ, อ่างั้นฟังคําถามไปเรื่อยๆก่อนนะมีคําถามเข้ามาทางบ้านเขาส่งเข้ามาครับคําถามจากทาง facebook นะครับคุณวีรพงศ์ท่านพระอาจารย์ครับ ผมรู้สึกเหมือนมีสัมภเวสีมาขอส่วนบุญอยู่บ่อยๆผมก็แผ่เมตตาให้ตลอดอยากถามท่านพระอาจารย์ว่าทำไมต้องเป็นผมด้วยครับและแสดงว่าผมมีบุญมากอย่างนั้นหรือแล้วผมควรจะทำอย่างไรครับ อ, อ๋อไม่หรอกบางทีอาจจะเป็นคนที่เคยพึ่งพาอาศัยกันมาชาติก่อนๆเราเคยดูแลกันช่วยเหลือกันพอเขาเดือดร้อนเขาก็รู้ว่าเราเพึ่ง เขาเพื่อเราได้เขาก็มาหาเราอย่างในสมัยพุทธกาลที่มีสัมปเวสีมาหาพระเจ้าแผ่นดินมาส่งเสียงวกวางหนุนก็กร ะ, ะทึกคึกโคมในวังพระเจ้าแผ่นดินนอนไม่หลับตอนเช้าตื่นขึ้นมาต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นใครพระพุทธเจ้าบอกไอ้เจ้านี่เคยเป็นอำมาตย์ ของท่านมาแต่ไม่ได้เป็นอามตะในชาตินี้นะชาติอดีตนูน่นสมัยที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านมีอามตาะคนนี้แหละแล้วท่านไว้ใจมันมันก็รับใช้ท่านอย่างดีท่านก็เลยฝากเงินให้มันไปทำบุญเพราะท่านไม่มีเวลาไปทำเองก็ให้มันเอาเงินของท่านไปทาบุญให้ทีนี้มันมีกิเลสมันไปยักยอกสกิบเปอร์เซนตใส่กระเป๋าไม่ได้ทาหมด พอมันตายไปก็เลยต้องไปเป็นเปรตพอมันเป็นเปรตมันไม่มีที่พึ่งมันก็ต้องมาหาท่า น, ม, นมันรู้ว่าท่านมาเป็นพระกษัตริย์อยู่ก็เลยมาเยี่ยมมาขอความช่วยเหลือมาส่งเสียงกรทอ ก, กคะเกระพุกโคมพระเจ้าบอกว่าให้ทำบุญอุทิศให้มันไปนี่คือเรื่องที่มาของการทำบุญอุทิศ ผูที่เขามาหาเราส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับเรามาก่อนเช่นญาติในอดีตพี่น้องในอดีตแฟนในอดีตคนที่เคยพึ่งพาอาศัยกันพอเขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเขามาติดต่อกับเราได้เขาก็มาขอความช่วยเหลือจากเราสำหรับบางทีเขาก็จะมาเข้าฝันก็ได้นอนหลับแล้วก็กฝันฝันถึงคนที่ตายไปแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าอาจจะเป็นคนตายมาเข้าฝันก็ได้ เรื่องอาจจะฝันเพราะเราคิดถึงเขาก็ได้แต่เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจก็ทำบุญให้เขาไปถ้าฝันถึงคนตายเพื่อเขามาขอบุญเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้แล้วเราก็จะได้ทำบุญด้วยครับจากคุณขวัญ น, นะครับพอดีเขาฝากให้อ่านนะครับขออนุญาตอ่านนะครับกราบพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรง อยู่โปรดเมตตาสัตว์ผู้ยากให้พ้นทุกข์ไปนานๆตอนนี้พวกเราได้พ้นทุกข์ยากใจจากคำสอนคำเทศนาจากพระอาจารย์ได้อยู่มากโขเลยเจ้าค่ะกราบเนือเสียนก้าขอได้ที่ไหนเหรอขอได้ก็ดีจะได้ไม่ตายกันเนี้ยไหมขอไปอยู่มันตลอดเพิ่งสอนไปหยกๆว่าศาสนาที่ไม่ไขอให้ทำ อยากจะมีอายุยืนยาวนานก็ต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกําลังกายกินอาหารที่มีสุขลักษณะรักพักผ่อนหลับนอนให้พอเพียงออกกําลังกายแล้วร่างกายก็จะอยู่ไปนาน อ, าอย่าเครียดนี่อย่างอารมณ์ดีนี่คือสูตรขอ ง, ของการมีอายุยืนยาวนานเขาเรียกว่าสี่ยอ อาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายถ้ามีสี่อย่างนี้แล้วก็ชีวิตก็จะอยู่อย่างยืนยาวนานอาหารสะอาดอาหารไม่เป็นพิษเป็นภยัยต่อร่างกายอากาศสะอาดไม่เป็นพิษเป็นภยัยต่อร่างกายอารมณ์ดีเสมอไม่เครียดแล้วก็ออกกำลังกายอยู่สม่าเสมอ แล้วร่างกายก็จะมีอายุยืนยาวนานแต่ก็อยู่ได้ตามอายุไขของมันจะให้อยู่ไปแบบสุดๆมันไม่มีทางที่จะอยู่ได้พระพุทธเจ้าอยู่ได้แค่80สบท่านก็ต้องไปไคำถามจากคุณแจ็คเราจะเพิ่มศรัทธาในการรักษาศีลทำความเพียรปฏิบัติได้อย่างไรครับเพราะอย่างที่พระอาจารย์เทศ เราไม่รู้ว่าอบายภูมิหรือสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงแล้วผลของการปฏิบัติเราก็ไม่รู้อีกสังคมเพื่อนปัจจุบันก็มีแต่ชวนไปทางเพลิดเพลินรบกรวนพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับเ อ, อเราไม่ต้องกังวลถึงผลในอนาคตหรอกเพราะผลในปัจจุบันเราก็มี ทำบุญเราก็มีความสุขใจสบายใจรักษาศีลได้เราก็สบายใจยันดูที่ตรงนี้ก็แล้วกันเปรียบเทียบระหว่างดื่มสุรากับไม่ดื่มสุราดูว่าอย่างไหนดีกว่ากันเอดื่มโซล่าเสียหลายอย่างเสียเงินเสียทองเสียสติเสียสุขภาพอไม่ดื่มสุราก็ไม่เสียเงินเสียทองไม่เสียสุขภาพไม่เสียสติใจสบาย ดื่มแล้วเมาเดินขึ้นมาก็ปวดหัวอันนี้เราสามารถเห็นผลได้ในปัจจุบันส่วนผลในอนาคตนี้เราต้องภาวนาเราถึงจะเห็นได้นั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิไม่ได้ก็เอาผลปัจจุบันไปก่อนเราก็เชื่อคนที่เขาเห็นเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่เห็นที่ท่านมาสอนให้พวกเราทำกันว่าชาติน้ามีจริง อันนี้ก็ต้องอาศัยความเชื่อไปก่อนเพราะเรายังเป็นคนตาบอดเยอะแต่ถ้าอยากจะเป็นคนตาดีก็ต้องฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆจิตสงบแล้วก็จะเห็นตัวจิตจะเห็นตัวที่ไปเกิดเองว่าว่าทว่ามีจริงคําถามจากคุณชลิตจากพุทธพจน์ที่กล่าวว่าขันห้าเป็นภาระอย่างยิ่งถามว่าขันห้า ยังเป็นภาระของพระอริยบุคคลอยู่หรือไม่ครับหรือเป็นภาระของสามัญชนทั่วไป อ, อ๋อเป็นภาระของทุกคนเหมือนกันแต่สามัญชนจะมองไม่เห็นว่าเป็นภาระเพราะสามัญชนต้องพึ่งขันห้าเป็นเครื่องมือหาความสุขส่วนพระอริยบุคคลนี้ท่านไม่ต้องพึ่งขันห้าหาความสุขท่านมีนิพพานเป็นที่ให้ความสุขท่านก็เลยเห็นการมีขันห้านี้เป็นภาระ ที่ไม่จาเป็นจะต้องมีเหมือนกับคนที่ไม่ต้องใช้รถนี้ถ้ามีรถก็จะเห็นว่าเป็นภาระคนที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนแต่ยังมีรถอยู่ก็ต้องอขับรถออกไปจอดไว้เฉยๆเดียวมันก็เสียต้องขับไปให้มันวิ่งแบตเตอรี่มันจะได้ไม่ไม่เสียล้อ ม, มันจะได้ไม่ลมมันจะได้ไม่หมดเนี่ยก็เป็นภาระสำหรับคนที่ไม่ต้องใช้รถ แต่ต้องมียึตยยังมีรถอยู่ร่างกายก็เป็นมันรถพระอริยะเดี๋ยวนี้ท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนพวกเราพวกเราใช้ร่างกายไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันไปหาความสุขต่างๆกันเราเลยไม่ถือว่าเป็นภาละเราถือว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องมี แต่พะอริยะนี้ท่านไม่ได้เถอว่ามันเป็นปัจจัยสาคัญสำหรับท่านท่านไม่ต้องใช้มันมันก็เลยเป็นภาระเพราะมันยังต้องอยู่ด้วยกันเอาคำถามสุดท้ายนะครับคำถามจากคุณบัณฑิตนะครับกราบเรียนถามครับผมมีความรู้สึกว่าใจกับความคิดมันแยกจากกันเมื่อผมดูความคิดความคิดก็หายไปจะทำได้เป็นพั ก, พก แต่ความรู้สึกทางใจมันจะว่างอยู่ตลอดแม้โดนคนว่าหรือคนชมถ้ามีความรู้สึกทางใจก็แค่วุบบเดียวก็หายไปใจมันจะนิ่งๆเป็นส่วนมากถ้าพระอาจารย์ให้วางความคิดผมก็จะได้ฝึกในการวางครับขอบพระคุณครับก็คือเราต้องการผลก็คือความสบายใจ ถ้าจะคิดก็คิดในทางที่ทำให้เราไม่ไม่วุ่นวายใจก็ได้ความคิดนี้มันมีทั้งความคิดที่ดีและความคิดที่ไม่ดีส่วนใหญ่เราคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดให้เราทุกข์กันถ้าเราคิดเป็นเราคิดไปในทางที่ทำให้เราไม่ทุกข์ได้ เห็นความคิดที่ให้หยุดความคิดนี้เพราะว่าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีกันแต่ถ้าเราหยุดความคิดที่ไปในทางที่ไม่ดีได้แล้วเราจะปล่อยความคิดที่ไปในทางที่ดีคิดออกมาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้อานแ้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา